ธรฏมภาชนีท่าสิบแปดคือหนึ่งจักขุ่ธาตุสองรูปธาตุสจักขุ่วิญญาณธาตุสโสตะธาตุหสัทธาธาตุ 6. โสตะวิญญาณธาตุเจานณะธาตุ 8. คันธาตุ 9. กานณะวิญญาณธาตุส0ชิวหาธาตุิอดรัธาตุสิองชิวหาวิญญาณธาตุ 13. กายธาตุสิบสโพธพาธาตุสิบห้ากายวิญญาณธาตุสิบหมโนธาตุสิบเจ็ดธรรมธาตุสิบปดมโนวิญญาณธาตุบรรดาธาตุสบปดนั้นจกักขุธาตุเป็นไนะจากสุใดเป็นประษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ละถึงนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าจักขุูธาตุ รูปพระธาตุเป็นไนะรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นี้ชื่อว่ารูปพระธาตุบางนี้เรียกว่ารูปพระธาตุจกขูวิญญาณธาตุเป็นไนะจิตมโนมานัสหาไทยปันทะมโนมนาญตนะมนินทรสีวิญญาณวิญญาณขันจกขูวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน อาศัยจักรสุและรูปเกิดขึ้นนี้เรียกว่าจากักรขวิญญาณธาตุโสตธาตุเป็นไนะโสตะใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นิชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าโสตธาตุสัทธธ า, าตุเป็นไนะสัทธเสียงใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธธ า, าตุบ้าง นี้เรียกว่าสัตธาธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันระมโนมนายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขัน์โสตวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยโสตหูและเสียงเกิดขึ้นนี้เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุคานาธาตุเป็นไนค า, านะจมูกใดเป็นภาษาทรูป อาศัยมหาภูตรูปสี่นิชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าคานธาต์คันธาธาต์เป็นไนคะันทะกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันธาธาต์บ้างนี้เรียกว่าคันธาธาต์คานวิญญาณธาต์เป็นไนะจิตมโนโมณัฐหาไทยปันทะมโนมนายตนะ มณีสีวิญญาณวิญญาณขัน์คานวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยคานะและกลิ่นเกิดขึ้นนี้เรียกว่าคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุเป็นไนะชิวหาลิ้นใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าชิวหาธาตุแสะธาตุเป็นไนะ รถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารสธาตบ้างนี้เรียกว่ารสศธาธชิวหาวิญญาณธาตุเป็นชนจิตมโนมานั์หาไทยปันระมะโนมนานยตนะมะนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขัน์ชิวหาวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยชิวหาในรถเกิดขึ้นนี้เรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุเป็นไนะกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นิชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่ากายธาตุโพธพธาตุเป็นไนะปัทวีธาตุน้ชื่อว่าโพธพธาตุบ้างนี้เรียกว่าโพธพธาตุกายวิญญาณธาตุเป็นไนะจิตมโนมานัสหาไทยปันระมโนมานายตนะ มนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขัน์กายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยกายและผลทพะเกิดขึ้นนี้เรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันระมโนมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขัน์มโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดแตบแห่งจกักรวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุจิตมโนโมานัตหาไทยปันระมะโนโมานายตนะมะนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขัน์มโนธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดาบแห่งกายวิญญาณธาตุหรือการพิจารณาอารมณ์ครั้งแรกในสภาวธรรมทั้งปวงจิตมโนมานัตปันระมะโนมานายตนะ มณินสีวิญญาณวิญญาณขันมโมท่าที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามโมท่าธรรมธาตุเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะและธาต่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งบรรดาธรรมธาตุนั้นเวทนาขันเป็นไนเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่ เวทนาขันธ์ที eight, earth, ten, eight, eight, eight, ่สัมปะยุทธ์ด้วยภาษะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัยยากฤิกก็มีและถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ สัญญาขันเป็นไนสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิก็มีและถึงสัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัญญาขัน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 และเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะนี้เรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่าธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นไนมโนธาตุเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแห่งจักรวิญญาณธาตุจิตมโนมานัตละถึงมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดาบแห่งมโนธาตุมโนธาตุเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดาบแห่งจักรวิญญาณธาตุ โส ต, ตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุจิตมโนโมานัตมโ น, โนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเปิดขก้นในลำดับแห่งการเกิดดับแม้แห่งมโนธาตุจิตมโนโมานัตหาไทยปัฏทะมโนโมนายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน อาศัยพวังขจิตและธรรมารมณ์เกิดขึ้นนี้เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอภิธรรมภพาชนีจบ 3. ปัญหาปุชกะท่าสิบแปดคือหนึ่งจากขูธาต สองรูปธาตุสจักขุวิญญาณธาตุสี่โสตธาตุห้ัตวธาตุหโสตวิญญาณธาตุเจคานธาตุแปคันธาตุเกาคานวิญญาณธาตุสิบชิวหาธาตุสิบอรัศธาตุสิชิวหาวิญญาณธาตุสิกายธาตุสิบสี่โพธพาธาตุสิห้ากายวิญญาณธาตุ สิมโนธาตุสิเจธรรมธาตุสิบปดมโนวิญญาณธาตุหนึ่งเติกกะม า, ก า, า, าทุกาปุจฉาทุกกะมาทิกาปุจฉะบรรดาธาตุสิบปดธาตุเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤิเท่าไรเป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้หนึ่งติกกะมาทิกาวิสัชนา 1. กุศลเิดกะวิสัชนาท่า16เป็นอพยกฤิตทาสองที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอพยกฤิตก็มี 2. เวทนาเตรกะวิสัชนาท่าสิบกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอธทุกขมาสุขเวทนาถาห้าสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนา กายวิญญาณธาตุท <presentations> ี่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาตุที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มีธรรมธาตุที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า ส land, ัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเมสุขเวทนาก็มีสามวิปากติกะวิสัชนาถ้าสิทไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากถ้าห้าเป็นวิบากโมทัตที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีถ้าสองที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทีน่าติลกล่วิสัชนะาธาตุสิบกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัตธาธาตุกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานธาตุหที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี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 ท่าสิบหกกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสท่าสองที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีหกสวิตตกะเดีตะวิสัชนาท่าสิบห้าไม่มีทั้งวิตกและวิจารมโนธาตุมีทั้งวิตกและวิจาร มนโนวิญญาณธาตุที่มีท SO e. ั birthday, ユユ to, ้งวิตกและวิจารงก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารงก็มีธรรมธาตุที่มีทั้งวิตกและวิจารงก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารงก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเจ็ ปีติ athlete, หรือกล่าวิสัชนาธาตุสิบกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาธาตุห้าสหรคตด้วยอุเบกขากายวิญญาณธาตุไม่สหรคตด้วยปีติที่สหรคตด้วยสุขแต่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยสุขก็มีธาตุสองที่สหรูปด้วยปีติก็มี ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สห์รคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหระคตด้วยปีติสหระคตด้วยสุขหรือสหระคตด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทัศนะถึกะวิสัชนาท่าสิบหกไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามท่าสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่ต้องประหารด้วยสโสดาปฏิมาคและมัก <Seven. S 1> บเบื้องบนสามก็มีเกทัศนะเหตุตุติกะวิสัชนาท่าสิบหกไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามท่าสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามก็มีสิบ อาจจะยักามิติงกวิสัชนาท่าสิบหกไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานท่าสองที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานก็มีสิบเอ็ดเสกขาไม่ถวิสัชนาท่าสิบหกไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขาบุคคล ท่าสองที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีสิบสองปริตต์ิถรกวิสัชนาท่าสิบหกเป็นปริตตถ้าสองที่เป็นปริตตก็มีที่เป็นมหากตะก็มีที่เป็นอัปมาณะก็มีสิบสาปริตารมณะเถรกวิสัชนาท่าสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้ ธาตุหก ses, มีปริตะเป็ น, ปน هي, อารมณ์ธาตุสองที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัภมาณะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสิบสี่หินเนติกะวิสัชนาธาตุสิบหกเป็นชั้นกลางธาตุสองที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มี ที่เป็นชั้นปราณีก็มีสิบห้ามิชฉาตตะตกะวิสัชนาท่าสิบหกเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นทาสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสิบหมคคารมนาติกะวิสัชนาท่าสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้ ธาตุหกกล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีธาตุสองที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่ม mm. ีมักเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีก็มีสิบเจ็ดอุปันนติกาวิสัชนาธาตุสิบที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี ok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 รู้จักเคยขึ้นแน่นอนก็มี 18. บแปอติตาเถระวิสัชนาถ้าสิบเจ็ดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีธรรมท่าที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันก็มี19อเาติตารมนะเถระวิสัชนา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 กมาตูกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคจรกวิสัชนาท่าสิบเจ็ดไม่เป็นเหตุธรรมธาตุที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีท่าสิบหกไม่มีเหตุท่าสองที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีท่าสิบหกวิปยุจจากเหตุท่าสองที่สัมปยุจด้วยเหตุก็มีที่วิปยุจจากเหตุก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุ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 หรือสัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมโนวิญญาณธาต์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุด้วยเหตุที่สัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมธาตุที่เป็นเหตุและสัมปยุด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุด้วยเหตุหรือสัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี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 ท่าสิบเจ็ดมีปัจจัยปรุงแต่งธรรมะท่าที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีท่าสิบเจ็ดถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมะท่าที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีรูปะท่าเห็นได้ท่าสิบเจ็ดเห็นไม่ได้ท่าสิบกระทบได้ท่าแปดกระทบไม่ได้ท่าสิบเป็นรูปทาเจ็ดไม่เป็นรูปธรรมะท่าที่เป็นรูปก็มี ที่ไม่เป็นรูปก็มีถ้าสิบหกเป็นโลคิยะถ้าสองที่เป็นโลคิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีถ้าสิบแปดที่จิตบังดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้ก็มีสาสวโคจักกวิสัชนา ท่าสิบเจ็ดไม่เป็นอาสวะธรรมธาตุที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีท่าสิบหเป็นอารมณ์ของอาสวะท่าสองที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีท่าสิบหวิปยุติจากอาสวะท่าสองที่สัมปยุติด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุติจากอาสวะก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ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 เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีถ้าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมโนวิญญาณท่ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะที่สัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธรรมท่าที่เป็นอาสวะและสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีถ้า16วิปยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ถ้าสองที่วิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี โยชนะโคจักกวิสัชนาท่าสิบเไม่เป็นสังโยชน์ธรรมะท่าที่เป็นสังโยกก็มีที่ไม่เป็นสังโยกก็มีท่าสิบหเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ทาสองที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีท่าสิบหวิปยุจจากสังโยชน์ทาสองที่สัมปยุจด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุจจากสังโยกก็มีท่าสิบหกล่าวไม่ได้ว่า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 สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีธรรมะธาตุที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยกก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีท่าสิบหวิปยุทธจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ทาสองที่วิปยุทธจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มี ที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่เคลาไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มี 5. ้คันทะโคจกกวิสัชนาะท่าสิบเจ็ดไม่เป็นคันธะธรรมะท่าที่เป็นคันธะก็มีที่ไม่เป็นคันธะก็มีท่าสิบหเป็นอารมณ์ของคันธะ ท่าสองที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีท่าสิบหกวิปยุตจากคันธะท่าสองที่สัมปยุตจากคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะมโนวิญญาณท่ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะ ที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีธรรมธาตุที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีทาสิบหกกล่าวไม่ได้ว่า เป็นคันทะและส uh ัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะมโนว um ิญญาณธาต์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีธรรมธาต์ที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันถะและสัมปยุจจ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุจจ์ด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีท่าสิบหวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะท่าสองที่วิปยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะหรือวิปยุจจากคันถะ และไม่เป็นอารมณ์ของคันถาก็มี